วิปัสนานุบาลบทที่สองเขาเริ่มทำวิปัสสนากันอย่างไรนักวิปัสนาที่ดีจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งหมายความว่าถ้าใครอ่านหรือฟังบทที่หนึ่งไปแล้วและตอนนี้คุณตอบได้ว่าวิปัสนาคืออะไร เหมือนที่สรุปไว้ตอนท้ายของบทก็ถือว่าคุณออกเดินก้าวแรกแล้วเรียบร้อยคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าการทำวิปัสสนาคือการนั่งหลับตาปั้นหน้าขรึมหรือการเดินจงกรมที่ข้างกำแพงวัดอันนั้นเป็นเพียงภาพส่วนย่อยที่อาจจะเด่นหน่อยไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด วิปัสสนาที่แท้จริงของผู้ช่ำชองนั้นอาจทำกันขณะกำลังนั่งเอาตะเกียบพลุยข้าวเข้าปากก็ได้หรือหลังจากเพิ่งแหกปากโหระท้องคัดท้องแข็งเสร็จก็ได้หรือกระทั่งน้ําตาอาจจะยังไม่ขาดสายก็ได้เมื่อใดมีสติรู้ตามจริงขึ้นมาว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีความไม่เที่ยงเป็นของที่บังคับดังใจไม่ได้ เมื่อนั้นเองที่เรากําลังอยู่ในวิปัสสนามลองนึกถึงคำว่าได้สติดูคำนี้ทำให้คุณนึกถึงอะไรขอให้เอาตัวอย่างจากชีวิตประจำวันของตัวเองบางคนอาจ น, นึกถึงการเหม่อลอยขณะขับรถก่อนจะเหม่จนพารถตกถนนก็เกิดสติว่า กำลังขับรถเลิกวาดวิมานในอากาศหรือหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องนอกถนนเสียได้เป็นต้นที่บรรทัดนี้ของหนังสือเล่มนี้ขอให้คุณนึกให้ออกว่าการได้สติสำหรับคุณหมายถึงสิ่งใดมันอาจหมายถึงการรู้สึกตัวว่าขณะนี้คุณกาลังอ่านหนังสือกาลังฟังเสียงอ่านหนังสือ และตั้งคำถามถามตนเองอยู่ก็ได้แต่ในขณะที่คุณได้สติรู้สึกว่ากำลังขับรถหรือได้สติรู้สึกว่ากำลังถูกถามให้ย้อนคิดคุณยังไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนจึงจะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของควบคุมไม่ได้อย่างนั้นเรามาดูสาธิตกันเดี๋ยวนี้เลย เอาความรู้สึกว่าไม่รู้จะดูตรงไหนนั่นแหละมาใช้ถ้าหากคุณรู้สึกงงง ง, งสงสัยตั้งคำถามและคิดควานหาคำตอบอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะความรู้สึกนั่นแหละที่เราต้องการสภาพงง ง, งตื้อตื้อตันตันไม่รู้จะดูอะไร สงสัยว่าทากันท่าไหนนี้ทางวิปัสสนาเรียกว่าเป็นเครื่องขวางความก้าวหน้าหรือนิวรชนิดหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักวิธีจัดการไว้คือให้มีสติรู้ตามจริงว่าจิตของเรากำลังตกอยู่ในสภาพถูกครอบงำด้วยความสงสัยขณะของการรู้ว่ากำลังสงสัยนั่นเอง เรียกว่าเกิดสติรู้ตามจริงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วคือรู้ว่ามีภาวะชนิดหนึ่งปรากฏอยู่แต่ที่จะเห็นจริงแบบหลุดจากการครอบงำของความสงสัยได้นั้นไม่ใช่แค่เห็นลักษณะความสงสัยตั้งอยู่เท่านั้นคุณต้องเห็นลักษณะการหายตัวไปของความสงสัยด้วยคำถามคือ ทำอย่างไรสภาวะสงสัยจึงหายไปคำตอบคือให้หายใจทีหนึ่งทันทีที่คุณบอกตัวเองได้ว่าคุณกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแปลว่าวินาทีนั้นความสงสัยหายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยสติรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก เมื่อสติหลุดจากความรับรู้ลมหายใจความสงสัยหรือใครรู้ก็จะกลับมาอีกตรงนี้คือจุดให้สังเกตความต่างระหว่างภาวะสงสัยกับไม่สงสัยได้ณวินาทีที่คุณบอกกับตัวเองว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกได้นั่นเองให้สำรวจดูเถอะภาวะเดิม คือความสงสัยที่กระเดียดไปในทางอึดอัดเป็นทุกข์จะแปลเป็นภาวะใหม่คือหมดความะวงอันกระเดียดไปในทางปลอดโปร่งเป็นสุขเพียงไม่เห็นว่าภาวะที่กำลังสงสัยกับภาวะหายสงสัยชั่วคราวแตกต่างกันอย่างไรก็เรียกว่ามีสติแบบวิปัสสนาอย่างอ่อนๆแล้วทั้งนี้เนื่องจากความรู้สึกว่า เมื่อกี้จิตเป็นอย่างหนึ่งตอนนี้จิตเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเห็นจิตในอดีตผ่านล่วงไปแล้วจบไปแล้วแปรปรวนไปแล้วไม่ใช่ปัจจุบันแล้วซึ่งตามธรรมชาตินั้นเมื่อจิตเห็นสิ่งใดหายไปย่อมไม่สำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นตนตรงเนี้ยน่าสนใจ คือน่าสังเกตว่าแล้วจิตเห็นสิ่งใดเป็นตนคําตอบก็คือสภาพที่กําลังเป็นปัจจุบันกําลังปรากฏเฉพาะหน้าอยู่นี่เองอย่างเช่นเมื่อเปรียบเทียบภาวะสงสัยกับภาวะไร้ความสงสัยก็จะเห็นอาการที่จิตเลิกเกี่ยวข้องผวาวงกับความสงสัยอันเป็นอดีตไปแล้ว แต่กลับมายึดมั่นความไม่สงสัยในปัจจุบันเป็นตัวเป็นตนแทนถ้าเข้าใจตรงนี้ชัดเจนรวมทั้งสังเกตออกว่าอะไรคือภาวะในปัจจุบันที่เรากำลังเข้าใจผิดหรือมองไม่เห็นตามจริงก็ถือว่าคุณเข้าใจหลักพื้นฐานของวิปัสสนาชัดเจนพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไปที่ต้องรู้ก็คือมีอะไรในตัวเราให้ดูบ้างคำตอบคือทั้งหมดที่เป็นส่วนของกายและทั้งหมดที่เป็นภาวะทางใจล้วนแล้วแต่ถูกรู้ด้วยสติแบบวิปัสสนาได้ทั้งสิ้นแต่บอกแค่นี้ก็จะงงอีกคืองงว่าจะดูกายใจทั้งหมดได้อย่างไร เหมารวมทีเดียวเลยเรอือคำตอบคือให้แยกดูเป็นส่วนๆก่อนเพราะการเห็นทั้งหมดในคราวเดียวไม่มีและเป็นไปไม่ได้จึงควรดูเท่าที่สามารถดูได้เท่านั้นพอคราวนี้อาจเป็นคำถามสำคัญที่สุดคือจะดูส่วนไหนก่อนดี พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูลมหายใจมากที่สุดเพราะลมหายใจเป็นที่พึ่งได้เป็นตัวฉุดสติได้เป็นตัวเลี้ยงสติได้อีกทั้งเป็นตัวทำให้เกิดสติเห็นความไม่เที่ยงตามจริงได้ด้วยอย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนคือแค่เรารู้ธรมธรมดาธรรมดาว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก ตรงนั้นเรียกว่ามีสติเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นความสงสัยและความฟุ้งซ่านย่อมถูกแทนที่ได้ชั่วคราวดังนั้นจึงน่าปลูกฝังความพอใจในการรู้ทันว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้มากเพื่อแย่งพื้นที่ของจิตเอามาให้กับสติ มากกว่าการปล่อยให้ความสงสัยและความฟุ้งซ่านครอบครองไปเมื่อใดใจฝักใฝ่อยู่กับลมหายใจคุณจะรู้สึกว่าอาการหลุดหายไปจากโลก น, นั้นกินเวลาสั้นลงและจิตอยู่ในสภาพพร้อมจะไปรู้รายละเอียดส่วนอื่นๆของกายใจมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่คือไม่สามารถปลูกฝังความพอใจหรือกระทั่งเตือนสติให้ตนเองเข้ามารู้ลมหายใจหรือรายละเอียดอื่นๆในกายใจได้ง่ายนักบทต่อไปจะเสนออาวุธที่จะใช้ในการขจัดอุปสรรคข้อนี้สรุป การเริ่มลงมือทำวิปัสสนานั้นไม่ใช่เรื่องยากแค่ทันทีที่เข้าใจว่าจะให้กำหนดจิต ด, ดูอะไรขณะนั้นก็ถือว่าใช่แล้วเช่นเปรียบเทียบให้เห็นภาวะต่างระหว่างความสงสัยกับความไม่สงสัยเป็นต้นเครื่องทุ่นแรงที่จะเอาคุณออกจากจุดเริ่มต้นได้คือลมหายใจ ขอเพียงมีสติรู้ลมหายใจแค่ทีเดียวก็เปรียบเหมือนผนังกัน้นแบ่งภาวะสงสัยกับภาวะไม่สงสัยแยกเป็นต่างหากจากกันให้รู้ได้ง่ายแล้วบทต่อต่อไปจะกล่าวถึงอุบายเบื้องต้นเพื่อทำวิปัสสนาให้ได้ต่อเนื่องและเราจะฝึกกันระหว่างอ่านหนังสือหรือฟังหนังสือนี่เลยทีเดียว